นิโรโธอันว่านิโรธสมเด็จพระชิเนธน์ถอนโปรดไว้ว่านิพานสมเด็จพระเจ้ามิลินทราชมีพจนาตองค์การถามว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้ายังกะไรกระนั้นเจ้าข้าโยอมให้กังขาสงสัยนิมน์วิสัชนาให้แจ้งก่อนพระนาคเสนถวายพระพรว่ามหาราชา ดูราณะพระบอบพิษพระราชะสมภารสัเพภาละปุถุชนาอันว่าภาละปุถุชนทั้งหลายอันเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในการทั้งสามคืออดีตอนาคตปัจจุบันากานี้ย่อมมายินดีในอายตนะภายนอกภายในคือยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสพทธพารมนิยมยกเบนจา ก, กามคุณว่าประเสริฐ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 มิได้ยินดีในอายตนะภายนอกภายในคือรูปเสียงกลิ่นรสโพธพารลมมิได้สรรเสริญเชยชมว่าดีมิได้มีความรักใคร่กระทำใจเบื่อนายมิได้ปรารถนาก็ดับซึ่งตัวตัณหาดับอุปาทานดับภพบชาติดับชราทุกข์มรณะทุกข์โสกะทุกข์ดับโทมนัสสุ ป, ปายา ท, ทุกขสิน้นดับซึ่งกิเลสทุก